สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัทกรคนชอบเล่าคลิปนี้ก็มากันที่เรื่องเบาๆจากท่านสมาชิกกันบ้างนะครับโดยเรื่องราวนี้ส่งมาจากคุณดินท่านสมาชิกที่อยู่ที่ฝั่งลาวเรื่องราวจะเป็นยังไงขอเชิญรับฟังครับคุณดินเล่า ว, ว่าสวัสดีครับผมชื่อดินครับเป็นคนประเทศเลาวจังหวัดจำปาสักหรือที่คนุนลาวเรียกกันว่าแขวงจำปาศักครับอยู่เมืองโขงหรือดอนโขงซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะ บ้านเมืองแสนครับเรื่องราวที่ผมจะถ่ายทอดให้ฟังนี้ผมขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมที่มีชื่อว่าด่างเพื่อนผมที่อยู่บ้านนากลางเริ่มต้นผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าด่างเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างห้าวและก็ใจใหญ่แบบประมาณว่านักเลงนักเลงครับจะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นคนที่พูดขวานผ่าซากแล้วก็ไม่เคยกลัวใครและเรื่องราวที่เกี่ยวกับด่างที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เหตุเกิดขึ้นที่เช้ามืดวันหนึ่ง ของฤดูที่ทำนาอ๋อด่างเพื่อนผมนี้ก็เป็นชาวนาครับจะด่างจะมีที่นาอยู่ผืนหนึ่งคือเดินทางออกจากหมู่บ้านไปก็ประมาณว่าต้องผ่านป่าช้าก่อนแล้วก็เดินเรียบๆไปเรื่อยๆก็จะถึงที่นาของด่างบรรยากาศแถวบ้านผมนั้นกลางค่ํากลางคืนไม่ต้องพูดถึงครับมันทั้งวังเวงและก็น่ากลัวจะมองไปทางไหนก็เวรงหวงังแล้วก็เป็นจังหวะประจบเหมาะที่ช่วงนั้นมีงานศพเกิดขึ้นพวกชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันไปช่วยงานศพ รวมทั้งเจ้าด่างด้วยแล้วก็มีการนั่งเป็นเพื่อนศพคล้ายๆกับฝั่งไทยแหละครับแต่แถวบ้านผมจะเรียกว่าเฮือนเย็นและเมื่อถึงเวลาตีสี่เจ้าด่างก็ต้องรีบออกไปทํานาอันเป็นเรื่องปกติของบ้านผมครับเพราะเขานิยมทํานากันแต่เช้าเจ้าด่างจึงได้ออกเดินทางมุ่งหน้าตรงไปยังนาของตนเองซึ่งมีพ่อแม่และพี่น้องรอยอยู่ที่นั่นแล้วคืนนั้นเป็นคืนเดินเพนและความสว่างของมันช่วยด่างได้มากในการเดินทางไปนาะเวลาตีสี่ก็ยังถือว่ายังมืดอยู่มาก ไอ้ความมืดนั้นก็ว่าน่ากลัวอยู่แล้วเลยยังต้องผ่านป่าช้าอีกแต่สําหรับด่างด่างเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเพราะว่าป่าช้าก็คือแค่ที่ฝังศพไม่มีอะไรมากไปกวนน่านี้ก็เดินตรงไปนาเรื่อยๆแบบใจเย็นๆสบายใจอากาศก็ดีแม้บรรยากาศโดยรอบจะวังเวงแต่ก็ไม่สนใจอีกไม่สายไม่นานพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วเจ้าด่างยังคงเดินไปเรื่อยๆมุ่งหน้าอย่างเดียวคือไปที่นาของตนเองจนเลยผลจากป่าช้ามาหน่อยนึง จนไปถึงที่นาของเพื่อนบ้านที่ใกล้ๆกันเศตาของด่างก็ไปเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเงาแต่คุ่มต่คุ่มอยู่ข้างหน้าพยายามเพ่งมองแต่ก็มองเห็นได้ไม่ชัดมากนักเพราะว่าแสงสว่างยังไม่เพียงพอและเมื่อเดินเข้าไปใกล้อีกเงาร่างแต่คุ่มต่คุ่มนั้นก็ชัดขึ้นมันคือร่างของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายนั่งทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตรงข้างทางไม่เห็นดังนั้นเจ้าด่างก็รู้สึกดีที่เจอเพื่อนออกมาทํานาแต่เช้าและด้วยความปากไวจึงได้ตะโกนออกไป เฮ้ยออกมาทำนาแต่เช้าเลยนะกลัวจะไม่เสร็จหรอเงียบไม่มีเสียงตอบจากร่างร่างนั้นจ้ด่างรู้สึกแปลกใจมากทำทำไมไม่ตอบวะมันจึงได้เดินเข้าไปใกล้ๆอีกแล้วมันก็บอกว่าถามไม่ตอบเดี๋ยวก็เตะซะเลยมีบุหรี่หรือเปล่าอาบุหรี่มาสูบมวนเดะแล้วร่างแต่คุ่มร่างนั้นก็ยังคงเงียบเช่นเดิมด่างชักอารมณ์เสียจึงได้เดินเข้าไปหาใกล้ๆใกล้มากพอพอที่จะเห็นอะไรได้ชัดเจนแล้วก็ถามอีกว่าเฮ้ยถามทำไมไม่ตอบวะ มันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแทนคําตอบกับความเงียบที่เคยทํามาร่างร่างนั้นค่อยค่อยเงยหน้าขึ้นมามองเจ้าด่างก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าด่างพยายามเพ่งมองลงไปที่ดวงหน้าเพราะคิดว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่มีนาติดกันแต่ด้วยสายตาที่เคยชินกับความมืดในตอนนั้นทําให้เจ้าด่างต้องตุกตะลึงยืนนิ่งเป็นหน้าจังงังเพราะใบหน้าที่เหนื่อยขึ้นมานั้นมันไม่ใช่เพื่อนบ้านอย่างที่คิดและมันก็ไม่น่าจะใช่หน้าของมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจอยู่ใบหน้าที่เหี่วแห้งเนื้อหายไปบางส่วน เบ้าตาลึกเกือบโบล่เหมือนกับอันหังบางๆไปแตะไว้กับกะโหลกอย่างนี้อย่างนั้นและหน้าก็โดที่สุดก็คือสายตาอันแข็งเกร้าวที่มองขึ้นมาผีใช่แนๆ่ๆนี่แหละผีจะทํำยังไงดีทํายังไงดีสมองสับสนไปหมดร่างกายตอนนี้เหมือนตกอยู่ในอาการช็อกสุดขีดกูไม่น่าทักมันเลยสายตาก็ยังคงจ้องกันอยู่อย่างนั้นสติสติเอ้ยรีบกลับมารีบกลับมาสิ่งเดียวที่ไอ้ด่างคิดได้และทําทันทีก็คือ หันหลังให้ทันทีแล้วก็ตั้งใจจะออกวิ่งแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับร่างกายตอนนี้มันวิ่งไม่ออกทำได้แค่เพียงก้าวขาเดินเชดชา้าระหว่างที่ตั้งใจเดินอยู่นั้นไอ้ด่างบอกว่าได้ยินเสียงหุวใจของตัวเองเต้นตุ่มตามดังไปหมดไม่รับรู้ถึงสัมผัสจะพื้นที่เหยียบได้ยินแต่เสียงจมจมที่ตัวเองกำลังเดินลุยที่หนาอยู่หนาวเย็นไปหมดตั้งแต่ส้นหลังไถ้ถอยแล่ขึ้นมายันหัวมันตามมาหรือเปล่า ไอ้ด่านจะคงก้าวต่อไปแบบช้าแต่ไม่ใช่ว่าใจเย็นแต่มันวิ่งไม่ได้จมจมแล้วก็จมจนข้ามแปลงนาไปได้สามแปลงจึงได้หยุดแต่สินใจหันหลังกลับไปดูและภาพที่เห็นก็ทำให้ไอ้ด่างหัวใจลงไปเต้นที่ตะตุ่มอีกครั้งเพราะมีร่างร่างหนึ่งกำลังเดินตามมาเป็นร่างที่ผมดำสูงเท่าต้นตาลตาโปนเบอร์มองไม่เห็นปากกาลังค่อยๆเดินเข้ามาหามัน ไอ้ด่างสติจะดับพูปลงให้ได้แต่ก็ต้องแข็งใจหันหลังแล้วก็เดินต่อไปจม๋จมจ๋มทำไมมันเดินได้เร็วแค่นี้ไม่เข้าใจเลยตัวมันใหญ่ขนาดนั้นขาก็ยาวมันต้องเดินตามทันแน่ๆตะโกนตะโกนต้องร้องตะโกนที่สุดเสียงไอ้ด่างคิดได้แค่นั้นก็เลยพยายามจะร้องตะโกนออกมาแต่ไม่จริงเสียงมันดังอยู่แค่ในลํำคออืออือทำได้ดีที่สุดก็คือต้องตั้งสติแล้วเดินต่อไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายไอ้ด่างก็เดินไปถึงเถียงนาของตัวเองเมื่อเดินเข้าไปใกล้เถียงนาที่มีพ่อแม่และพี่น้องรออยู่บนนั้นก็ให้รู้สึกว่ามีแรงฮึดขึ้นมันไดเถียงนามี5ขั้นไอด้ดางโดนเหยียบขั้นที่3ส่งตัวเองขึ้นไปข้างบนได้สําเร็จเมื่อขึ้นไปข้างบนได้ไอ้ด่างก็แหกปากร้องออกมาทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยจากนั้นไอ้ด่างก็ช็อกพ่อแม่ของมันจุดตะเกียงขึ้นมาดูแล้วก็ถามว่าไอ้ด่างเป็นอะไรแต่สภาพไอ้ด่างตอนนั้นไม่สามารถที่จะตอบอะไรใครได้ เรียกว่าตกใจมากจนสติหลุดลอยและเมื่อไอ้ด่างฟื้นขึ้นมาในตอนกลางวันแทนที่เหตุการณ์จะคลี่คลายมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นไอ้ด่างในคงคุ้มคลั่งจนต้องเอาโซ่มาล่ามไว้มีอาการคล้ายคล้ายคนบ้าคน บ, บอไปทั้งพ่อแม่และครอบครัวจึงมีความเห็นกันว่าให้นิมนพระมาทําพิธีเอื้นขวัญก็คือการเรียกขวัญและผูกข้อหมายข้อมือให้ไอ้ด่างมันและหลังจากที่ทําพิธีเอื้นขวัญได้สักระยะเจ้าด่างก็อาการดีขึ้น ทูเลาขึ้นเป็นลำดับจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับมันให้ทุกคนได้ฟังได้หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานทางครอบครัวเจ้าด่างก็เดินทางไปหาคุณทรงเพื่อสืบสาวเราเรื่องว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าด่างนี้คืออะไรคําตอบที่ได้ก็คือดวงวิญญาณตนนั้นอยากได้เจ้าด่างไปอยู่แทนที่ด้วยเห็นว่าเจ้าด่างนั้นมันเชางกล้านักและก็ไม่กลัวใครรู้สึกถูกใจก็เลยอยากให้ไปอยู่แทนแต่ก็บังเอิญเจ้าด่างนั้นดวงแข็งมากเลยรอดมาได้ และณปัจจุบันนี้เจ้าด่างเพื่อนผมมันก็ยังคงเป็นคนเหมือนเดิมก็คือไม่กลัวใครและก็ไม่กลัวผีแต่ผมคิดว่ามันเองก็ต้องเข็ดบ้างละผมขอยืนยันครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมแต่แก่นแท้จากเรื่องราวของด่างเพื่อนผมที่ผมอยากจะให้คิดตามก็คือในเมื่อเรื่องของจิตวิญญาณยังมีจริงแล้วเรื่องบาปบุญคุณโทษฉะไหนเลยจะไม่มีจริงเบนกรามย่อมมีจริงแน่นอนนรกสวรรค์ก็เช่นกันครับ แล้วเรื่องราวของคุณด่างเ <P> พื่อนคุณดินก็จบลงแล้วนะครับผมเห็นด้วยกับคุณดินนะครับสิ่งที่เรามองกันไม่เห็นก็ใช่ว่าจะไม่มีบางครั้งคนเราก็ต้องเปิดใจรับรู้เปิดใจที่จะเห็นมากกว่าที่ตาเนื้อของเราจะสัมผัสได้ด้านเดียวเท่านั้นนะครับอทีนี้ก็มาต่อกันที่เรื่องราวจากคุณฟ้าบ้างนะครับฟังเรื่องของนุ่มๆ ม, มาแล้วมาฟังเรื่องของสาวๆบ้างเรื่องราวของคุณฟ้านี้ต้องย้อนเวลากลับไปประมาณ20ป่ปีเป็นเรื่องราวของบ้านเก่า ครอบครัวของคุณฟ้านั้นจะมีพ่อมีแม่แล้วก็พี่น้องรวมกัน3มคนคนโตชื่อพี่ศัก์คนรองชื่อพี่สิทธิ์และต่อมาก็คุณฟ้าโดยครอบครัวของคุณฟ้านี้จะมีเชื้อสายมาจากทางจีนก็คือทางคุณแม่เดิมทีแล้วคุณพ่อที่เป็นคนไทยได้ไปแต่งงานกับคุณแม่คือแต่งงานเข้าบ้านคุณจีนซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกันถึงแม้ว่าบ้านจะใหญ่โตแต่ห้องที่พักอาศัยนั้นกลับมีขนาดเล็กจึงทําให้คุณพ่อมีความคิดว่า เมื่อถึงเวลาที่ลูกๆโตขึ้นก็ควรจะแยกย้ายออกมาตั้งครอบครัวของตนเองอยู่จะได้ไม่ไปปรับปนกับยญาติๆจนเกินไปและเพื่อความสบายใจและไม่อึดอัดของทุกคนด้วยคุณพ่อมีอาชีพเป็นคนขับรถสิบล้อหลังจากที่เลิกงานทุกวันพ่อก็จะต้องผ่านตรงตลาดที่ติดกับแม่น้ําท่าจีนในจังหวัดนคนปรปฐมเพื่อที่จะข้ามฝั่งไปยังบ้านพักของเราในสมัยนั้นจากที่พ่อได้มองดูลักษณะของตลาดนั้นก็คล้ายกับสำเพ็งและก็เป็นตลาดเก่าที่นับว่ามีอายุมาเป็นร้อยปี ละกันนับเวลาที่พ่อได้ดูอยู่นั้นก็กําลังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเรื่อยๆพ่อเลยมีความคิดว่าจะพาครอบครัวของเราย้ายมาอยู่ในตลาดนี้จึงได้ทําการติดต่อบ้านที่ตลาดนั้นไว้ล็อกหนึ่งซึ่งผู้เช่าเก่าที่เคยอยู่นั้นก็คือแค่แขกขายโรตีก็คือแค่มาขายของแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากด้วยความที่คุณย่าของฟ้าเป็นคนทรงจึงทําให้คุณพ่อออกจะเป็นคนที่มีเสซนนิดๆสัมผัสอะไรได้ง่ายแม้ว่าคุณพ่อของฟ้านั้นจะไม่ได้รับขันเป็นคนทรงก็ตาม เมื่อคุณพ่อได้ก้าวเข้าไปที่บ้านล็อกนั้นเป็นครั้งแรกคุณพ่อก็สัมผัสได้ทันทีว่าที่นี่ต้องมีอะไรแน่แต่เพราะกลัวว่าคนในครอบครัวจะกลัวจึงไม่ได้บอกอะไรใครตอนนั้นการขนย้ายของก็ไม่ได้ทําได้ง่ายนักเพราะว่าเป็นการขนย้ายจากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําท่าจีนซึ่งใหญ่มากคุณพ่อเลยเลือกที่จะขนเตียงกับตู้ที่ใหญ่ๆมาทิ้งไว้ที่นี่ก่อนโดยที่ให้ยามตัวน้อ ย, อยสองคนก็คือพี่ศักกับพี่สิทธิ์มานอนเฝ้าไว้ป้องกันขโมยกระโจนุน ตอนนั้นพี่ชายของฟ้าทั้งคู่ก็น่าจะเรียนอยู่ปสามปสส่วนตัวฟ้าเองตอนนั้นอยู่ ป, ปหนึ่งฟ้านอบไม่ได้ไปนอนเฝ้าฟ้านอนกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านกุ๋งแต่วันนั้นที่ย้ายของกันก่อนที่คุณพ่อคุณแม่และฟ้าจะข้ามฝั่งมาที่บ้านกุ๋งโดยทิ้งให้พี่ชายอีกสองคนนอนเฝ้าของนั้นคุณพ่อก็บอกว่าเออพวกเรามาอยู่ที่บ้านเขานะเราต้องเคารพบเขาก่อนแต่ด้วยความเป็นเด็กของพวกเราเราเลยไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเราต้องเคารวบใคร คุณพ่อก็เลยพาพวกเราไปยืนอยู่ที่หน้าเสาต้นหนึ่งซึ่งมีลักษณะต้นใหญ่มากสีดำมะเมื่มเป็นเงามันพ่อก็แจกทุปให้พวกเราแล้วก็ให้กล่าวคำว่าตอนนี้พวกลูกได้มาอยู่อาศัยขอให้นางไม้ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองตัวฟ้ากับพิสิ์นั้นทำแต่ว่าพิสักไม่ยอมทำบอกพ่อว่าอะไรไร้าสาระนะพ่อก็ได้แต่ยกมือไหวเฉยๆคือทำแบบคนที่ไม่เชื่อนะ่ะแต่ตอนนั้นพ่อเองก็ไม่ได้ว่าอะไร แล้วเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงกลางคืนที่พี่สองคนต้องนอนเฝ้าคืนนั้นลักษณะของการวางเฟอร์นิเจอร์ที่ขนไปก่อนแล้วก็คือตู้กับโต๊ะเครื่องแป้งอยู่ตรงปลายเท้าที่2คนนั้นนอนส่วนหัวนอนนั้นก็หันไปทางเสาตกน้ํามันและเมื่อเวลาของราตรีเข้ามาปกคลุมจนมืดมิดไปหมดทั้งสองคนก็นอนหลับไปไม่รู้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่อาจทราบได้แต่แล้วจ้าจูพิศั ก, ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ลืมตาโพลงขึ้น ตำแหน่งที่นอนตอนนั้นพิศักอยู่ทางซ้ายมือของพิสิทธ์ซึ่งหัวนอนของพิสิทธิ์นั้นตรงกับเสาตกน้ํามันพอดีพิศักนั้นไม่รู้ว่าตนเองตื่นขึ้นมาทาไมพยายามจะหลับตานอนต่อแต่หลับไม่ได้และแล้วก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเสียงนั้นมันดังตรงหัวนอนตรงเสาตกน้ํามันเกือกกอกเกือกกอ ก, กและขนาดเสียงนั้นเหมือนกับว่ามีใครกํำลังเดินอยู่ที่หัวนอนซึ่งเป็นพื้นไม้ พิศักรู้สึกแปลกใจนิดหนึ่งใครมันจะมาเดินอยู่ได้ตรงนี้และเข้ามาได้ยังไงประตูก็ปิดอยู่เสียงเดินในจังหวะเนิบๆ น, นั้นค่อยๆเดินผ่านหัวไปทางซ้ายพิศักก็เหลือบตาตามเสียงนั้นไปแล้วก็ไม่ผิดหวังพิศักได้เห็นเจ้าของเสียงดังใจเจ้าของเสียงเดินนั้นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเธอหันตัวมาหาพิศักแล้วก็ยิ้มให้พิสักตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูก จะร้องก็ร้องไม่ได้จะดิ้นก็ดิ้นไม่ไหวจะของร่างชุดไทยนั้นยืนยิ้มให้สักครู่หนึ่งแล้วก็เดินย้อนกลับมาทางเดิมกึกกักกึกผ่านหัวไปพิสัชทําได้เพียงแค่ชำเลืงตามมองไปเรื่อยๆกลัวก็กลัวแต่ตามมันก็ยิ่งมองมองจนร่างร่างนั้นเดินหายเข้าไปที่เสาตกน้ํามันตรงหัวนอนจากนั้นด้วยความกลัวพิสัชก็หลับตาลงได้แต่ตัวนั้นก็ยังขยับไม่ได้ แล้วก็หลับตากลัวอย่างนั้นจนหลับไปเมารู้สึกตัวอีกทีก็ไม่รู้ว่ากี่โมงแล้วแต่สิ่งที่รู้ก็คือจะนอนอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับเวลาเช้ามืดพอดีซึ่งพ่อฟานั้นก็ตื่นแล้วก็รีบข้ามฝั่งไปที่บ้านหลังใหม่เพื่อไปดูว่าพี่ชายทั้งสองนั้นเป็นยังไงเพราะว่าตัวพ่อเองก็มีความรู้สึกว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายคนโตแน่ๆ แ, และเมื่อพ่อได้ไปถึงก็ได้เจอกับพิศษจริงๆกำลังนั่งอยู่นอกบ้านตัวสัน่น ปากก็พร่ำบอกพ่ออย่างเดียวว่าผีหลอกผีหลอกกลัวกลัวพ่อและพ่อก็บอกกับพิสตักระว่าคิดไว้อยู่แล้วปากดีลักนี่ก็บอกแล้วว่าให้ทําการเคารพเขาเขาจะได้ช่วยปกปักรักษาดูแลเขาในอยู่มาก่อนเราจากนั้นพ่อก็เดินเข้าไปที่เสาตกน้ํามันแล้วก็ทํำท่าเหมือนพูดอะไรอยู่สักอย่างและพ่อก็หันมาบอกว่าที่จริงแล้วเมื่อก่อนตอนไอ้บางขายโรตีอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่มีกระจกแต่ตัวเขาก็เห็นว่ามีกระจกโตก๊ะเครื่องแป้งก็เลยอยากออกมาส่องบ้าง และกบวกกับมาเจอเด็กปากดีคนนึงก็เลยอยากจะแสดงให้เห็นว่าเขานั้นมีหลังจากเหตุการณ์นั้นพิสตาก็ไม่กล้าที่จะลบหลู่อีกและพวกเราทุกคนก็รับรู้ว่าบ้านที่เราอยู่กันนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยรักษาอยู่เหตุการณ์การแนะนําตัวจึงได้จบลงไปแต่เหตุการณ์แปลกๆก็ยังไม่หมดลงสัทีเดียวคือฟ้าต้องบอกว่าฟ้ารู้ว่ามีและเคารพแต่ฟ้าก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างที่เขาห้ามเรื่องของเรื่องมันก็เกิดขึ้นตอนที่ฟ้ากวาดบ้าน ในวนั้นฟ้ามีหน้าที่คือการทําความสะอาดบ้านก็กวาดบ้านถู บ, บ้านตามตําแหน่งแม่บ้านตัวน้อยและด้วยความที่ไม่รู้นั่นเองฟ้าก็ได้ทําพลาดไปอย่างหนึ่งคือหลังจากกวาดบ้านเสร็จฟ้าก็เอาไม้กวาดไปพิงไว้ตรงเสานั้นแล้วคืนวันเดียวกันนั้นก็รู้ผลเลยคืนนั้นมีเสิยงหนึ่งเกิดขึ้นลักษณะเหมือนกับว่ามีคนกํนาลังวิ่งขึ้นวิ่งลงจากเหล่าเต็งเสียงดังมากแต่ฟ้าเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะว่าตัวบ้านก็เป็นชุมชนคล้ายกับสําเพลง ไม่แปลกที่เสียงจากบ้านอื่นจะนํามาถึงบ้านฟ้าแต่พอรุ่งเช้าคําตอบคือไม่ใช่เพราะว่าพ่อฟ้ามาถามว่าเมื่อวานใครกวาดบ้านแล้วฟ้าก็บอกพ่อว่าฟ้าเองพ่อเลยบอกฟ้าว่าทีหลังจะกวาดบ้านถูบ้านอะไรก็แล้วแต่ห้ามนําไม้กวาดต้นไม้ถูบ้านไปวางไว้ที่เสานั้นมันเป็นการทับเขาเขาไม่ชอบและจากคําพูดคําพ่อครั้งนี้เองทําให้ฟ้าสงสัยไปจนถึงทุกวันนี้ว่าพ่อรู้ได้ยังไงหรือว่าเขามาคุยกับพ่อ แต่ความสงสัยนี้ฟ้าเองก็ได้แต่ปล่อยให้่ันเลยไปฟ้าอยู่บ้านหลังนั้นมาเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งตัวฟ้าต้องย้ายมาทำงานที่กรุงเทพฟ้าจะกลับบ้านประมาณ ป, าณปีละครั้งก็คือช่วงสงกรานก็จะนำผ้าสามสีไปผูกที่เสานั้นแล้วก็เอาแป้งไปโรยขอพรพร้อมคารุบบูชาแล้วมาจนถึงตรงนี้ฟ้าก็ขอบอกว่าที่จริงแล้วฟ้าคิดถึงเสาต้นนี้คือเสาตกน้ามันแห่งบ้านเก่า เพราะว่าทุกวันนี้เสาต้นนี้กับตลาดแห่งนั้นและบ้านเก่าไม่มีอยู่แล้วถ้าผู้ที่ติดตามข่าวก็อาจจะเคยได้ยินข่าวไฟไหม้ตลาดและนี้ก็คือเรื่องราวในความทรงจำของฟ้าครับและคลิปนี้ก็จบลงไป2เรื่องก่อนนะครับแม้ผิดนัดบ่อยจริงๆช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ๋อแล้วเรื่องการแถยท่ดเรื่องราวจากท่านสมาชิกจากฝั่งลรวถ้าหากว่าผมออกเสียงได้บังคำผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับ อย่างไรก็ดีขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนครับอ้อและอย่าลืมนะครับวันแม่กราบท่านงามๆที่ปลายเท้าสักทีก็ดีนะครับขอบคุณ ค, ร, ค ร, รับสวัสดีครับรับสวัสดีครับรับสวัสดี